ในสนามอาดลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอธานีสแสดงธรรมในวันที่สมีนาคม2558นามีชื่อเรื่องว่าทําบุญแบบผู้มีปัญญาไม่มีคําว่ากด วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับวัดของเราเราตั้งท่าทีมาหลายปีแต่ก่อนหน้านี้เราก็ถือว่าเราทำบุญรวมญาติยกคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําท่านเป็นหลักจากนั้นเราก็ได้ทำบุญลํำลึกถึงงานครบรอบของคุณแม่จากนั้นเราก็ได้ทำบุญ ทุกปีก็พร้อมกัน้วเราก็ได้รวมกันทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณคือวัดของเราสร้างมาตั้งแต่ปีสองสามพอสร้างขึ้นมาแล้วก็มีหลวงพ่อสดกลุงพ่อนิพน์เป็นผู้จำพรรษาอยู่สองปีพอปีพหาะปี2525หลวงพ่อได้กลับออกมาจากบ้านตาดก็ได้มาอยู่ที่นี่ จากนั้นหลวงพ่อคํโสดก็ได้ขึ้นไปอยู่ที่บ้านเพิ่มพ่อ้นิพ์ก็ได้ออกไปอยู่ข้างนอกตั้งแต่นูดมาพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพูดให้การสนับสนุนวัดของเรามีตั้งแต่อายุตั้งแต่ปีสองสามจนถึงปีห้าแปดพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมคิดดูสิว่ากี่ปีสาสิบกว่าปี ในวัดเมื่อขณะ30กว่าปีผู้ให้การสนับสนุนเรื่องจตุปัจจัยก็หลายท่านแล้วก็ให้การสนับสนุนเรื่องกำลังมาช่วยงานวัดก็มากมายแล้วก็ผู้ช่วยความคิดจะพัฒนาอย่างไรจะทำออกแบบออกแปลนอย่างไรแต่ละสิ่งแต่ละอย่างภายในวัดของเรากว่า น, นั้นก็มากอีกเหมือนกันเพราะนั้นทุกโมเหล่าที่ได้ช่วยกัน สร้างวัดวาศาสนานและวัดป่านาคาน้อยขึ้นมาพวกเราได้รับความสะดวกสบายอย่างหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นหัวหน้าวัดก็มองมองดูแล้วก็รู้จักว่าสมบูรณ์ตามอัตภาพเพราะว่าเป็นวัดป่าเราก็คงจะไม่ทำให้มากกว่านี้ขนาดนี้ก็คิดว่ า, เ, าเหลือเฟือฟุ่มเฟือยไปมากพอสมควรแล้วเกินกว่าวัดป่าในยุคสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เราก็ ปฏิบัติตามหรือ ว, ว่าเราทําตามยุคสมัยถ้าว่าเราไม่ทําไปตามยุคสมัยก่อนเหมือนกับล้าสมัยแล้วค่ําคืบเกินไปแต่ถ้าว่าเราจะทําจนเกินไปก็รู้สึกว่าจะล้าสมัยเกินไปจะเป็นที่ตําหนิของผู้ที่ที่เห็นว่าครูบาอาจารย์พระธุรง์กรรมฐานเป็นผู้มักน้อยสันโดษแต่ทําไมถึง สร้างรูหลาโออาถึงขนาดนี้เขาคงจะมีผู้ตําหนิเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็ประมวลมาเอามาทํากาคิดว่าให้เหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการก่อสร้างรละว่าการสร้างท้าวรวัตถกุก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วก็ทุนทรัพย์ผู้ที่ได้เสียสละออกมาก็มากมาย จนในถึงขนาดนี้เพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังที่ได้รับความสะดวกสบายจากผธุนทรัพย์จากกำลังจากแนวความคิดของท่านเหล่านั้นพวกเราที่เมื่อพวกท่านเหล่านั้นล่วงรับรับขันไปมีมากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นไปสิงจะติตยอยู่ณนะทินใดที่ใดทินใดอาจจะตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ได้แต่พวกเราที่อยู่เบื้องหลังไม่คิดถึงกันเลย mm hmm. เะมก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นหลวงพ่อปีหนึ่งน่าจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คุณของวัดแล้วก็ประมวลกันมาอย่างที่หลวงพ่อหนะลวงพ่อก็มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่พี่น้องๆ้อง ลูกๆห ล, ลานๆหลวงพ่อก็จะบ๊ประมวลมาทําบุญในวันพรุ่งนี้ในวันตั้งแต่เริ่มวันนี้แหะวันพรุ่งนี้ก็มีการกล่าวคําถวายทานและก็จะอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปการคุณอย่างที่หลวงพ่อแล้วว่าของใครของเราเมารวมกันมามาร่วมกันทําบุญอุทิศสวนกุศลพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ายายต่างคนต่างก็มีผู้มีอุปการะคุณแต่ละท่าน เพราะนั้นประมวลมามารวมกันเราก็ทําบุญทิศส่วนกุศลถวัตทาบุญรวมญาติญาติธรรมทารวงวิญญาณท่านผู้ใดที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ในคราวนี้ครั้งนี้ก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราพวกเรายินดีที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกวิญญาณทุกดวงใจอันนี้ก็คือเราแนวยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาที่ท่านทําบุญเปิดโลกทาต ท่านทําบุญเปิดโลกธาตุคล้ายกับว่าเป็นการทําบุญเปิดกว้างถ้าดวงวิญญาณผู้ใดก็ตามตกทุกข์ระยากเราก็พร้อมที่อุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณอันนี้ก็คือการทําบุญในคราวนี้ครั้งนี้แต่ว่าทําไมหลวงพ่อจึงเอาวันมาฆะบูชาแต่หลวงพ่อคิดว่าวันมาฆะบูชาเป็นวันที่พวกเรา จะต้องจะต้องได้ทําบุญเสียสละอยู่แล้วแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์องไหนที่พอมาสวดบนมนได้มาคักพักค้างจนถึงวันพุ่งนี้ได้ก็ดีแต่ถ้าว่ามาพักค้างไม่ได้มาถึงวันนี้ก็สวดมนสวดพระปริตะมงคล เ, เสร็จแล้วพวกเราก็ได้ให้พวกครูบาทั้งหลายองคไหนที่ท่นานไม่ได้อยู่กัถวายจะตุปจจัยของท่านไป ถ้าองค์ไหนอยู่ได้ก็ดีอยู่ร่วมกันเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วต่างวัดก็ต่างมีการมีการของแต่ละวัดมีวันมาฆบูชาของแต่ละวัดศรัทธาญาติโยงเกี่ยวข้องแต่ละวัดแต่ถึงยังไงในเย็นวันนี้อยากวันนี้แหละยังไม่ถึงวันนั้นยังไปถึงวันพุ่งนี้นะแล้วก็เย็นวันพุ่งนี้เองแต่ละวัดก็ต้องมีการเวียนเทียนพระทักษิณ แต่ละวัดของแต่ละท่านแต่อันนั้นเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่มาในวันนี้มาสวดพระปริตะมงคลเสร็จแล้วก็พวกครูบาทั้งหลายที่หลวงพ่อแต่งตั้งไว้ก็ถวายจิตุปัจจัายเพราะศรัทธาญาติโยมถวายจิตจิตุปัจจัยท่านเสร็จแล้วก็ท่านจะมาในวันพุธนี้ได้ก็ยิ่งดี แต่ถ้ามาไม่ได้ติดภาระทุระ เ, เราก็ขอบุญขอบคุณในครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานในคราวนี้ครั้งนี้ในเย็นวันนี้นะแต่วันนี้เย็นวันนี้ก็เห็นครูบาอาจารย์น้องหนุ่งทั้งหลายที่มาร่วมงานก็มากาหน้าหลายตาก็มีหลวงพ่อสดคําสดวัดป่าบัานเพิ่มเป็นหัวหน้าแล้วก็หลวงพ่ อ, เ, อเจ้าคณะอาเภอภู นาลาวหลวงพบุญมีแล้วก็หลวงพ่อเลือแต่ถึงยังไงก็ขอให้ทั้งสสีห้าท่านนะ่ะจะสวดพระปริตะมงคลอย่างไรนะหลวงพ่อเนี่ยเมื่อได้กล่าวสมโมทนิยกถาปารกเรื่องงานจบลงไปแล้วหลวงพ่อก็คงจะหาที่พักพ่อหลวงพ่อเนี่ยวันผลนกรกไปในงานของพระหมออย่างที่พวกเราได้ทราบกัน แต่วันนี้ก็เราออกไปตั้งแต่ฉันจังหารเสร็จก็เพิ่งกลับมาถึงไม่นานมานี้เองเอแล้วก็เราขึ้นมาสวดมนต์อีก <c oughs> อายุปุนหลวงพ่อเนี่ยคงไม่ไหวจะแล้วอายุเจ็ดสิบแล้วนะศานตะา ญ, ญาติโยมลูกหลานจากนั้นก็คงจะให้หลวงพ่อคำสดอหรือหลวงพ่อบุญเมรุหลวงพ่อเหลือทั้งสามสี่ท่านนี่แหละอเมื่อจบลงไปแล้ว หลวงพ่อกล่าวจบลงไปแล้วพวกเราคณะสัตยาธิโธมจะอาราธนาศินจะรักษาศินแปดรักษาศินอุโบสถตลอดถึงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาแต่ตามไม่จริงก็น่าจะประกอบคุณงามความดีน่าจะรักษาสินรักษาศินแนข่ข่ำหรือว่ารักษาศินแปดสําหรับสัตยาธิโธมบวช บวชเนกข่ำตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ได้ก็ดีเหมือนกันนะสองวันสองคืนอแต่ไม่ถึงสองวัน่คือสองคืนกับหนึ่งวันฮะสองคืนกับหนึ่งวันที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์รักษาศีลเนกข่ำคือรักษาศีลอุบโบสถรักษาศีลแปดหลวงพ่อเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนั่นแหละ แล้วก็การทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้เราก็ไม่ได้กะเกณว่าให้คนนั่นคนนี้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะตามทำตามอัธภาพตามทำ ท, ำทำตามอัธยาศัยเมื่อเราจะทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับญาติโกโหติก อ, อของเรามีมากมายเราจะให้ให้ท่านเท่าไหร่ในเมื่อเรา ยังมีชีวิตอยู่น่ะท่านให้เท่าให้เราเท่าไร่ในเมื่อท่านจากไปแล้วเราจะให้ท่านเท่าไร่แต่ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนตัวเองน่ะถ้าให้น้อยเกินไปท่านก็แบ่งกันไม่คุ้มไม่ทั่วไม่ถึงเหมือนกันนะเอเพราะนั้นเราต้องต้องทําบุญให้ใหญ่พอสมควรพอให้ท่านได้แบ่งกันให้โทษถึงเอเหมือนกับเรานเนี่อเราไป หาพ่อหาแม่พ่อแม่ให้เงินมาก้อนนึงเนีบางคนจะปฏิเสธจะได้สามไปให้น้อยเกินไปใช่ไหมเออพอให้น้อยเกินไปแบ่งกันไป่ทั่วถึงฮะเอออันนี้ก็เหมือนกัน่ะดวงวิญญาณเมื่อเราทําบุญเราก็ต้องทําใจใหญ่และก็พร้อมการหลวงพ่อเองก็จัดให้เป็นงาน อ, อทอดผ้าป่าเชิงไกลไกลไปด้วยเพราะว่าพวกเราจะได้ทําบุญ เจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาองค์หลวงตาเจดีย์พิพิธภัณฑ์องค์หลวงตาเนีสร้างแน่ทั้งป ร, ประชุมกันทั้งฝ่ายสงฆ์ประชุมทั้งสงฆ์ต่อสงฆ์ประชุมทั้งฝ่ายจังหวัดกับสงฆ์ประชุมทั้งคณะจังหวัดส่วนจังหวัดกับส่วนผู้ออกแบบคล้ายๆคำเหม่งเกี่ยวเข้ามาพอสมควรในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์แต่หลวงพ่อเองก็อยู่ในอยู่ในวงห่าง จับตามองและจับตาดูก็ไม่ได้เข้าไปก้าวกายต่สุดแท้แต่ว่าให้พวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้ดําเนินการเพราะเหตุไรเพราะว่าถึงจะสร้างขึ้นมาก็อยู่นอกวัดของเราอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดถึงเราจะเป็นเจ้ากี้เจ้าการเจ้ายศเจ้าอย่างเข้าไปทํางานก็เถอะถ้าเขาท่านเหล่านั้นไม่เห็นด้วยหลวงพ่อไม่ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะมันไม่ใช่อยู่ในวัดของเรา เพราะนั้นหลวงพ่อเนี่มีแต่ให้การสนับสนุนท่านจะเอายังไงหลวงพ่อก็ได้ตามทางนั้นในการที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ข้อสำคัญให้เป็นรูปร่างให้เป็นที่พอใจสำหรับถูกต้องตามธรรมบขนบธรรมเนียมประเพณีและความต้องการที่หลวงตาเคยปลารบเอาไว้เพราะนั้นพวกเราเมื่อทางรุ้นเขากำลังจะเริ่มขเขมงเกี่ยวที่จะสร้างเจดีย์ ที่หลวงพ่อได้พูดกับคณะสัตายาติโยมลูกหลานในวันที่วางศิลละเลิกครั้งก่อนคราวก่อนว่าหลวงพ่อที่จะรับสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยเป็นเจ้าภาพกับพร้อมกับคณะสัตายาติโยมกลุ่มคณะสงฆ์และวก็กลุ่มคณะสัตายาธิโยมวัดป่านาคําน้อยหลวงพ่อรับ50าล้านบาทหลวงพ่อยังจําไม่ลืมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคิดว่า ก่อนที่จะถึงวันนั้นพวกเราคงจะทยอยทอดผ้าป่าไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้หนักใจไม่ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งหนักใจในการทำบุญทําทานพ่อหลวงพ่อก็ได้คิดไปแล้วก่อนที่จะพูดออกไปแต่เมื่อกรถินเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ได้เงินมาเจ็ดกว่าเจ็ดล้านกว่าแล้วก็มีผู้ถวายต่างกลามต่างวาระเดี๋ยวนี้ก็ปัจจัยจานวนนี้ก็อยู่ในบัญชีสงบหนึ่งอยู่ก็ประมาณ10กว่าล้าน คนนั้นคนกว่าจะถึงวันนั้นพวกเราก็คงจะช่วยๆกันคนลำไม้คนลำมือแต่ก็ไม่หนักหนาคิดว่าคงจะได้ครบจํานวนที่เราได้พวกเราได้ตั้งใจเอาไว้เป็นอามิตจบูชาเป็นบูชาพระคุณขององค์หลวงตาปฏบิบัติบูชานั้นเราทําอยู่โดยสม่ําเสมออันนี้คืออามิตจบูชา อามิตรบูชาคือบูชาด้วยอามิตรคือเราสร้างพระเจดีย์ถวายร่วมกันสร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงตานะพ่อหลวงตามาให้กับพวกเราที่วัดนาคำน้อยของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นผู้มีอุปการะคุณนะส่วนหลวงตาในส่วนหนึ่งแหะที่ให้มานะกำแพงวัดทั้งหมดเจ็ดหกกิโลกว่าเจ็ดรกว่าเม็ด เป็นเงินเท่าไหร่สมัยนั้นยี่สิบกว่าล้านแต่ทุกวันนี้ไม่ไม่ได้ละร้อยกว่าล้านเพราะเหตุไรปูนจะเป็นสมัยนั้นเพียงสาสิบห้าบาททุกวันในร้อยสมสิบห้าบาทหนึ่งกระสอบแล้วเหล็กเท่าไหร่มีแต่แพงแผงค่าแรงเท่าไหร่สมัยนั้นค่าแรงสิบห้าบาทสามสิบาททุกวั น, น, นทั้งสามร้อยเพราะฉนั้นถ้าจะสร้างทุกวันนี่มันกี่ร้อยล้านล่ะอการแพงขนาดนี้นะเพราะฉะนั้น หลงตาให้มาหลงตาให้ทุนมาช่วยสร้างให้พวกเราได้รับความสงศ์ร่วมเย็ยนผาสุขถึงขนาดนี้นะ อ, อพวกเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของท่านนี่แหละหลวงพ่อมองมองห ล, หลายด้านนะคณะทา ย, ยาิโยมลูกลหลานมองหลายด้านมองหลา ย, ลายมุมมองหลา ย, ลายอ อ, อยา่างก่อนที่จะคิดหรือทําอะไรลงไ ป, ปเพราะฉะนั้น ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งต่อไปหลวงพ่อก็คิดว่านะทุกวันเดือนสามเพนนี้แหละหลวงพ่อคิดว่าจะมีการทําบุญรวมญาติทุกทุกปีแล้วก็วันเกิดของหลวงพ่อนะ้นั้นอีกส่วนหนึ่งวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาแล้วก็วันทอดกฐถินที่วัดปา่านาคำน้อยของเราอีกวันหนึ่งสรุปแล้วปีหนึ่งเราจะ ให้มีงานสมวันสามวันคืองานกระถินวันหนึ่งและก็งานทําบุญวุฒิส่วนกุศลรวมญาติอย่างวันนี้แหละวันหนึ่งแล้วก็วันเกิดของหลวงพ่อวันที่27เมษาวันหนึ่งอันนี้คืองานภายในวัดของเราแต่งานภายนอกวัดของเรานนั้นอีกส่วนหนึ่งเราก็มาไปตามที่มันเกิดมันมีขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่สะดวก เราก็ปฏิเสธได้แต่มันจะดวกเรากไ็ไปตามที่กําหนดไปตามเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทําอย่างอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาอันนี้เราเป็นวันทำบุญลําลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาอันนั้นเราก็กําหนดไว้เลยทุกปีที่ผ่าน มาเราก็ทำํทำทำทําทุกปีปีนี้ก็คงจะทําเช่นเดียวกันแต่สําหรับวันงานของหลวงปู่ล่าวันที่สิบเก้ามกราแต่วันที่สิบแปดสบเก้ามกราแต่หลวงปู่จามกับหลวงปูล่ลาท่านมรณะภาพคู่ขี้กันเม่ไวันเดียวกันหลวงปู่ล่าวันที่สิบปหลวงปู่จามวันที่สิบเก้าหรืออะไรนี่แหละเดือนมกราเหมือนกันเออ เลยเราก็คิดว่าควรจะเอาหลวงปูล่ลาก่อนหลวงปู่จามท่านมรณภาพทีหลังเอาเรียงกันไปอีกวันนึงอันนี้ก็คือเราก็ได้พูดกันเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องการเรื่องงานภายนอกอย่างที่หลวงพ่อพูดกน่คือเป็นงานการกุศลเป็นการลําลึกเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าผ้าป่าสามัคคีอย่างเี้ย ที่ลูกพ่อเห็นต้นถึงจะมากหรือน้อยพวกลูกหลานคณะสัทยาญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องหนักใจเท่าไหร่ก็เท่านั้นทําไปเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลแต่เราจะทําบุญให้กับใครเท่านั้นเองถ้าเราจะทําบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายยาว เ, เฟื้อยชื่อแต่พอให้ไปให้5บาทอย่างนี้เงิเน5บาทคนทั้ง20คนจะไปแบ่งกันยังไงเ่ย อันนี้พวกเราก็ต้องได้คิดเหมือนกันนะลูกหลานนะเอา้เอามันต้องคิดในเศรษฐศาสตร์ด้วยนี่ใช่ไหมล่ะเร า, าก็ต้องให้เออให้คุณพ่อร้อยหนึง่งให้คุณแม่ร้อยหนึง่งให้คนนั้นอีกอคุณอาร้อยหนึง่งคุณ100น่าร้อยหนึง่งเฮอย่างนี้เรียกว่าคนละสิบบาทให้ยี่สิบบาทไปกินข้ยเตี๋คนละชามละชามก็ยังดีนะ วันนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นก็เป็นแนวความคิดอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ให้หนักใจนะสรุปแล้วไม่ให้หนักใจแต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อคิดว่าเงินจํานวนที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเราจะให้ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่พวกเราลําลึกถึงเนี่ยที่เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงเนี่ยให้มีส่วนรว่วมใครเข า, าให้ดวงวิญญาณ เหล่านั้นอนุโมทนาสาธุกับพวกเราพวกเราจะได้นำาจตุปัจจัยที่เป็นต้นผ้าป่าเนี่ยเออเอาเป็นกองทุนเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเออคือเราจะเก็บไว้เป็นเงินก้อนที่เป็นเงินหลวงตาให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นมีส่วนในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเพราะหลวงตาเป็นใคร S <S <an> พวกเรากระมั่นใจว่าหลวงตาคือพระอระหันต์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณเนอะร์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาและก็พร้อมกันบนยอดพระเจดีย์พวกเราทุกเจดีย์ที่ผ่านผ่านมาเขาก็บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุคือพร ะ, พระาธาตุของพระพุทธเจา้าและกัพระาธาตุของพระอระหรันต์ แตษาวกที่พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาต่างกลัมต่างวาระเราก็บรรจุไว้ข้างบนแล้วก็พร้อมกันเราก็ข้างล่างเราก็บรรจอุอัฐิธาตุพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาจากนั้นก็อัดับบริขาดของท่านจากนั้นเราก็จะสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์คล้ายๆว่ารมพระเทศนาขององค์หลวงตาหลวงตาเทศนาว่าการนสถานที่ใดเราก็จะทําเป็นแผ่น สีลาจารึกเอาไว้เพื่อจะให้คนจุดท้ายภายหลังได้เรียนได้ศึกษาได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติของพระกรรมฐานสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นถ้าท่านผู้ใดต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานมีอุปนิ ส, สยัยเป็นเป็นผู้มีบุญมีกุศลพอได้อ่านได้ศึกษาท่านนั้นใจของท่านเหล่านั้นก็ ถึงอัดถึงทำถึงศีลถึงทำถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็ท่านได้นำทำคําสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนาไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นมักเป็นผลสำหรับเขาเหล่านั้นนี่แหละอันนี้เราคิดถึงขนาดนั้นแหละที่เราจะได้สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพราะหลวงตาเองท่านก็บอกเลยการสร้างเจดีเนี่ยเราไม่เห็นด้วยฮะท่านว่านะ การสร้างเจดีเราไม่เห็นด้วยเพราะเหตุว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เราเห็นในสถานที่ต่างๆพอสร้างขึ้นมาแล้วก็มีคนไปกราบไปไหว้พอกาบปลกปล ก, ปล ก, ปลก เ, เสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ข้าพาเจ้าได้ลูกดีมีปัญญาเป็นผู้ว่าง่ายซ้อนง่าย อให้จะเป็นลูกเขยลูกสะภ้ามาก็ให้เป็นผู้ว่าง่ายซ้อนง่ายเป็นผู้มีคุณธรรมในสามี <c oughs> ผ่าสามีภรรยาก็ให้เข้า อ, อกเข้าใจซึ่งกันและกันให้ข้าพเจ้ามีความร่ํารวยผาสุขให้มียศถาบรรดาศักดิ์ล้วนแล้วแต่ปรากราบมีแต่เรื่องอธิษฐานอธิฐานมีแต่เรื่องอธิษฐานอยู่ในโลกวัตะสงสารอธิษฐานเรื่องกิเลสทั้งนั้นท่านดวงตาท่านว่านะเอะมีแต่เรื่องอธิษฐานเรื่องโลก โกรหลงอยู่ในวัตฏะสงสารไม่ใช่ว่าจะอธิษฐานไปถึงพระนิพลมีน้อยมากเพราะนั้นถ้าว่าเราเอาทำคำสอนของเราเนี่ยมาเป็นแผ่นกระดานหรือว่าแผ่นป้ายขึ้นมาพวกเราเขาเหล่านั้นผู้มีอุปนิสัยจะได้อ่านได้ศึกษาแล้วก็ น, นำไปประพฤติปฏิบัติจะมีประโยชน์กว่าประโยชน์กว่าที่จะสร้างเจดี ให้คนมากราบปลุกปลุกกับตัณฑ์จิตอธิษฐานม่ตรอิรันพันตูอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะนะลงตาท่านพูดอย่างนั้นนะอันนี้พวกเราฟังเอาไว้เลยลงตาในท่านพูดให้เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเ<ช>พราะฉะนั้นท่านจึงเน้นในเรื่องพิพิธภัณฑ์คือทําคําสอนไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ไอ้เอาบาดเอาบริขารมาตั้งเฉยเฉยนะ ทําตั้งเฉยๆจะมีประโยชน์ไยต่อไปกบผุพังสังขยาดไปเลยแต่เนื้อหาสารธรรมะที่หลวงตาได้ประพุติปฏิบัติมาอย่างไร อ, อ, อันนั้นเราออ ก, ออกมาใส่แป้นใส่แผ่นกระดานแล้วจากนั้นลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นลูกหลานก็ได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่องค์หลวงตาพาผ่านทำดําเนินผ่านมาแล้ว นำมาประพุทธปฏิบัติประปรุงกายวาจาใจของเราก็าจะเกิดประโยชน์นะนี่แหละอันนี้เลคือเราคิดเรื่องสร้างพิพิธภัณฑ์นะคณะศัตถาย า, าตโยมโลกลานนี่แหละอันนี้ก็คือเราถึงจะมีมากมีน้อยเราก็เก็บพร้อมรอมริบ เ, เพื่อสร้างเจดีย์แต่เจดีย์ของ เ, อเราที่หลวงพ่อรับไป50ล้านเมื่อก่อนหน้านี้ทุนกระหม่อมท่านเสด็จมาคุณปอกับคณะศัตถา ญ, ญาตโยม ที่นั่งอยู่ที่นี่นะที่มาวัดท่านก็ได้ถวายทุนก็หมอมไปสองล้านเป็นเช็คนะถวายเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านคงจะเอาเข้าเอาเข้าเจดีย์นั่นแหละเป็นอันว่ า, เ, าเงินห้ล้านของเรานี่เดี๋ยวนี้มันไม่ห้าสล้านนะลดลงมา48ล้านไม่ใช่เหรอเพราะตะกอนห้บล้านจ่ายไปแล้วนะ ยังเหลืออยู่48ล้านนะหลวงพ่อยังเป็นนี้อยู่แล้วก็จํานวนอีกที่หลวงพ่อเข้าไปอีก10ขวบล้านนะก็ลดลงมาอีกนะ เ, เพราะฉนั้นวันนี้วันพุงนี้ถ้าได้มาเท่าไหร่หลวงพ่อก็คงจะเอาเข้าไปอีก เ, อเพื่อจะได้หย่อนเรื่องราวลงมาและก็พร้อมกันในการทําบุญในคราวนี้ครั้งนี้หลวงพ่อก็ได้บอกพระ ว่าพวกเราได้ต่อเติมศาลาชั้นล่างศรัทธาญาติโยามก็ได้มาร่วมถวายจิตุปัจจัยามากพอสมควรอยู่คิดออกมาแล้วก็เกือบสามล้านเหมือนกันนะทั้งหินทั้งค่าโรงค้าแรงแต่ก็ยังไม่ได้ชิดคิดในรายละเอียดาจากนั้นนะพวกเราก็ได้สร้างอะไรต่อไม่อะไรอยู่ข้างนอก เ, อเป็นนว่าพวกเรารวมกันม า, าถวายอ พัฒนาารวันพุ่งนี้ก็พร้อมกันก็ถวายเสนาธนะสู์ด้วยก็ได้เหมือนกันนะหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นอนะ่ะเพื่อเป็นชริตเพื่อเป็นมงคลอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อขอเน้นยำ้ำ เ, เราอย่าไปคิดไปหวังหว่าฆ่าตายซะก่อนแล้วให้คนอื่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อันนั้นโง่นะหลวงตามหาบัวธนว่านโง่นะ เพราะเหตุไรเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ละ่ะเราจะทำอะไรเราจะรักษาศีลหรือเราจะไหว้พระสวดมนต์หรือเราจะนั่งภาวนาหรือเราจะปฏิบัติให้ปฏิบัติเอาให้พอ อ, อ, อย่าไปมุ่งหวังต่อไปภายภาคหน้าในเมื่อเราตายไปได้สู่เจ้าทาบุญให้ข้านะขนาดเขายังมีชีวิตอยู่เราสั่งให้เขาไปซื้อของเขายังซื้อผิดๆถูกๆ เผอเผลอเขาซื้อราคาถูกเขายังกินอมเงินของเราไปอีกต่างหากในเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยไม่ยิ่งกว่านั้นไปเลยเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทําอะไรเราทำเอาเต็มที่ทําตามอัธยาศัยเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเออเมื่อข้าตายไปแล้วทูตเจ้าไม่ต้องทําให้ข้าอีกนะข้าทำเอาเพียงพอแล้วล่ะเนี่ยเงินอยู่ก้อนนี้นะ่ะมีเงินอยู่ตัวนี้บัญชีเท่านี้ ที่ดินมีเท่านี้อะไรมีเาไห้อสูเจ้าแบ่งกันนะอย่าทะเลาะกันนะเผื่อเ ร, เ, รเราแบ่งให้เขาก่อนอ ก, ก็ได้และไม่ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เราเราทำเอาพอพอแล้วนะอย่างองค์หลวงตานะท่านบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วอย่าไปกุศลาให้เรานะเราก็ไม่ได้กุศลาจริงๆนะถ้าเราจะกุศลาเหมือนกับเราไม่ฟังคาของท่านใช่ไหม เราก็มีแต่อเิจา่าอเิจ่าวัฏสร้างฆ่าราอุปาดาวะจะทำ ม, มิโนไปว่ามนี ม, มแต่พูดให้การฝ่านร่างกายสังขารเนี่ยองลงตาก็ไม่เที่ยงเหมือนพวกเราเนาะของพวกเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกับทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้เราก็ตรวจอเนจ่าแต่ว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลอัพยากตาธรรมะจิตที่เป็นเป็นอัพยากต จิตเป็นจิตเป็นกลางที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปหลวงตาวอยาตรวดให้เร า, เ, าเราเอาเราปฏิบัติเอาพอแล้วเราเพียงพอแล้วไม่ต้องกุศลาให้เราหรอกอแต่พวกท่านทั้งหลายนั่นนะผูดที่มากุศลาให้เราน่ะมันถึงไหนล่ะมันโง่ถึงขนาดไหยชื่อฉลาดาแล้วจะมากุศลาให้เราได้ยังไงเราไม่เอาหรอกไม่ต้องกุศลาให้เราอันนี้หลวงตาท่านพูด ถ้าเราเปิดเทปบางการบางเรื่องเราก็จะได้ยินในธรรมเทศนาของหลวงตาเพราะฉะนั้นหลวงพวกเรานในฐานะสิทธิอนุสิ์ลูกกลานขององค์หลวงตาน่าจะยึดแนวปฏิปทาหรือว่าแนวความคิดของหลวงตานํามาประพฤติปฏิบัติคื อ, อยังเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะทําสิ่งไหนเราก็ทําเอ า, เอาทําให้เพียงพอเมื่อทําเพียงพอแล้วเราไม่ต้องพึ่งหวังพึ่งใครต่อไปในอนาคต เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะแต่หลวงพ่อเห็นด้วยนะเรียนด้วยกับหลวงตาถ้าว่าหลวงพ่อไม่เห็นด้วยหลวงพ่อจะไม่นํามาพูดนหลวงพ่อเห็นด้วยกับหลวงตาที่ท่านพูดเออหลงตาพูดมีเหตุผลถูกต้อง อ, อขณะเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะอย่างเราใช้ลูกใช้หลานใช้เพื่อนสนิทมิตรสหายเออเผลอๆยังเห็นเงินยังอบเงินของเราไปอีกเ อ, อแล้วจะเมื่อเราตายไปแล้วเนะี่ยไปฝากเงินไว้กับ เหมือนกับฝากไข่ไว้กับกาอย่างนั้น่ะมันจะถึงถึงที่ถึงทางหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะอเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมบูรณ์กุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ว่าให้เสียสละให้หลวงพ่อทั้งหมดไม่ใช่รักษาศีลนั่นแหละช่ภาวนานใช่ประกอบคุณงามความดีใช่คิดดีนั่นแหละใช่ ทำดีนั่นแหะใช่พูดดีนั่นแหะใช่มันหลายใช่เหลือเกินนะมันไม่ใช่แต่ว่าทํำทานอย่างเดียวยังค่อยใช่ไม่ใช่นะทำทานานก็คือส่วนประกอบส่วนนึกถ้าพวกเราพระพุทธเจ้าว่าเราที่ได้เป็นพระพุทธเจา้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย <c oughs> ด้วยอนิสง์ทานของเรานะท่านยืนยันรับรับว่าเป็นอนิสง์ทาน นี่คือการเสียสละของท่านคนที่มีน้ำใจคนเสียสละ เ, เป็นคนที่จิตใจกว้างขวาง เ, เพราะอ น, นิสงส์เกิดพบใดชาติใด <c oughs> เกิดพบใด้ชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอะไรเพราะว่าอนนานิสงส์ฐานเกื้อกูลหนุนไปเกิดเป็นคนโบราณเขาบอกว่าไปเกิดเป็นอีแง่ดีกว่าอีแง่ตังคนานถ้าไปเกิดเป็นกาก็ดีกว่ากาทั้ง ทางห้อยทางร้อยเราไปเกิดในสถานที่ใดถ้าคนมีอันนี้สงสาร น, นะเป็นจ่าฝูงเขาทั้งนั้นเพราะหลุไเพราะอันนี้สงฐานของเราเป็นผู้เกื้อกูลห น, นุนอพอไม่ไม่พอจะได้ก็ได้ไม่พอจะเกิดก็เกิดไม่พอจะรวยก็รวยฮะ เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะอันนี้สงสานเนี่ยมันมองไม่เห็นนะมันเป็นพลังนะออย่างเห็นไหมหลวงพ่อไปวันเนี้ยอพอไปนั่งอยู่ที่งานของ ท่านหมอนะคนก็นลุมมาทั้งที่ตู้บริจาค ก, ก็มีนะเออลมมาบริจาคเออเอามาเอามาบริจาคหลวงพ่อจะรับไปจะเอาใช้ในงานของท่านหมอทั้งหมดนะ่นลูกหลานเอาม า, อาพอหลวงพ่อนั่งไม่ถึงชั่วโมงได้เงินต้องหกแสนกว่ า, นะาได้เงินหกแสนกว่านะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมหนะลวงพ่อนั่งแป๊บเดียว น, ะนี่นะ หลวงพ่อกว่าหลวงพรดูดเงินพอสมควรอยู่นะเป็นแม่เล็กดูดเงินพอสมควรอยู่แต่หลวงตาหลวงหลวงพ่อก็เคยเห็นหลวงตาไปนั่งที่ไหนหลวงตานี่ก็ดูดเงินเหมือนกันนะดูดยิ่งกว่าหลวงพ่อเนี่ยอีกว่าไงหลวงพ่อเนี่ยนะเวลาไปนั่งงานของเจ้าคุณจังหวัดอุดรนะหลวงพ่อไปนั่งเขาเขามา ทำบุญมาให้หลวงพ่อแต่ตามไม่จริงคณนะกรรมการเขาก็ตุบๆ ต, ต่อมๆเห็นเห็นแล้วนะเขาก็คงไม่สบายใจว่าทำไมำไมบริจาคในตู้บริจาคทำไมมาถวายหลวงพ่ออินแต่หลวงพ่อก็เลยบอกเออเอามาถวายเราก็เถอะนะเราไม่เอาหรอกเราก็จะถวายให้กับงานนี่ละโดยมากหลวงพ่อจะทำอย่างนั้นเพราะหลวงพ่อคิดว่าไปนะสถานที่ใดก็ให้ไปก็จบจบไป ไปเงาเทศแส ด, แสดงธรรมอยู่ที่งานหลวงปู่วิทยังวัดธรรมมงคลเขาก็เก็บใส่กล่องๆไปก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่คนก็หยอดกล่องหยอดกล่องเขาถวายมาจากนั้นเขาก็ถวายปัจจัยมาหลายหมื่นอยู่นะหลวงพ่อมองเห็นโอ้กล่องใหญ่ๆนั่นเองมันเยอะแยะไปจะตุบปัจจัยหลวงพ่อเออวันนี้เก้ากัผมมาแสดงธรรม ในงานของเจ้าพักคุณหลวงปู่วิริยัง เ, เพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมก็เป็นเครื่องบูชาอามิต ท, ที่หลวงกระผมได้มาคือการเทศของกระผมที่ญาติโยมถวายกระผมกอข อ, ข อ, ขอถวายหลวงปู่ทั้งหมดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็จ้าทุสนันวันไหวไปหมดเเอแสดงว่าคนที่ทําบุญทําทานนอคนทั้งหลายเห็นด้วยนะ อถ้าคนคี้ตานีทีเนี้วนะโดยมากคนยัไม่ค่อยเห็นนะเพราะนั้นให้พวกเราทํำมาเถอะที่เราทําบุญไปนั้นนะมันไม่ไปที่ไหนหรอกมันไปต่อหมู่ต่อเพื่อนเหมือนกับนกต่อน่ะไอยหลวงพ่ออินใช้เงินมากนะไปไปไปไปไปหาหลวงพ่ออินอีกขจาวัเนี่นน่ะไปสักส่วนหมู่พวกเพื่อนมาใช่ไหมหลวงพ่ออินก็ได้มาอีกใช้ต่อไปอีกเอผลในสุดเลย ลูกน้องขอ ง, ลงหลวงพ่ออินหลายหมื่นหลายแสยนหลายล้านเนี่ยไปต่อมาใช่ผลในที่สุดก็เลยหลั่งไหลมาเพราะหลไรเพราะเป็นนกต่อนี่ยนี่แหละถ้าว่าได้มาตัวไหนหักคอใส่ไปจนเกิดยางปลีเลยไม่เคยเออกไปที่ไหนเลยผลในที่สุดมันก็ไม่มีหมูมีเพื่อนเงิเนงก้อนนั้นใช่ไหมละ่ะอมันก็หมดไปพราะนั้นหลวงตาท่านว่าเปิดกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งกว้างเหมือนกับน้ำํำ ปล่อยออกไปกว้างเท่าไรเปิดเข้ามาน้ำไหลมายิ่งสะอาดไหลไปเรื่อยเอื่อยเอื่อยไปเล ย, เ ย, เย ไ, ลยไ ม, ม่มีหมดอันนี้สงทานมันหมดไม่เป็นเนอะอันนี้หลวงตารับรองเลยนะหลงตาบอกว่าถ้าหาว่าใครก็ตามทาบุญทาทานตามหลักตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันหมดมันกี่หายนะบอกเราเราจะทืนคืนเงินให้แต่ถ้าว่าทาแบบไม่คิดไม่อ่านเนี่ยไม่ว่าลนะ มีอะไรกระทุ่มไปหมดแบบหลับหูหลับตาทมไม่คิดไปอ่านไม่เลือกไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำอันนั้นมันจิบหายได้นะพอเหตุไรเพราะว่าทำไปแล้วเนะ่เดือดร้อนเมื่อภายหลังเลยเพราะนั้นหลวงตาท่านท้าถึงขนาดนั้นข้าว่าทำบุญทำทานถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแลยนะไม่อดไม่หมดอั น, นีนสงหลังไหลามา เะนั้นเขาฝากไว้กับคณะทศธา ญ, ญาโจมลูกหลานนะต่อไปหลวงพ่อจะให้พรพอให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วน ะ, ะแล้วก็คณะทธา ญ, ญาโจงก็คงอาราธนาศิลอุโบสถใครจะรักษาศินอุโบสถก็ได้รักษาสินห้าก็ไดเ้เสร็จแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะให้ศินเนคข่ำในเมื่อให้สินเนคข่ำคือศินแปดเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์เถิดแต่ตามให้จริง ถ้าเป็นไปได้เจริญทั้งคืนก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อวาน่ะสวดอิติปิโสบูชาพระพุทธเจ้าประธรรมประสงพวกเราที่อยู่เบื้องหลังอ่ะสวดอิติปิโสเพื่อบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอ่ก็ดีเหมือนกันนะแต่กระสุนแท้แต่ครูบาอาจารย์จะพาสวดอนะจะสวดอันไหนกระสุแท้แต่พันท่านสวดเก่งยังไงท่านอาจารย์พระครูอาจารย์ บนเหลือจันหลวงพ่อสวดเก่งคนหลวงพ่อเยอะแยะเลยนะหลวงพ่อเรื่องสวดนะหลวงพ่อสวดได้แต่ปฏิโมกษนะอแต่สวดอย่างอื่นหลวงพ่อยอมแพ้พอเข้าไปในสงคมชุมชนสังคมเขายื่นไม้มาให้หลวงพ่อจะไม่ค่อยรับหรอกเพราะอะไรพอทําท่าพูดแจ้งดังพอเขาสวดไปทางอื่นหลวงพ่อพูดไปอะไมันขายหน้าตัวเองใช่ไหมล่ะหลวงพ่อรู้จักอย่างนั้นจากวิธีขายหน้าตัวเองไงหลวงพ่อจะไม่จะไม่รับไม้ง่ายๆ ถ้าไปสวดกับครูบาอาจารย์เว้นเสียให้ตัวเองเป็นหัวหน้าเออเอารู้จักว่าเราจะสวดอะไรใช่ไหมแล้วก็สวดเอาสวดเอาสวดเอาที่เราสวดได้ใช่ไหอถ้าไปสวดกับหมู่กับเพื่อนให้ครูบาอาจารย์เป็นผู้พาสวดแล้วเนี่ยเอให้เราถือไม้ด้วยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราสวดไม่ได้ขายหน้าเราใช่ไมบันไดงานนี้ก็เหมือนกันนะแหละเมื่อไปครูบาอาจารย์เป็นองค์สวดอหรือว่าจะเป็นผู้กล่าว นในแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์ก็เอาก็ว่ากันไปนะพวกเราก็นอนมาจนหลังแบนพลาะแล้วถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังว่าอย่างหนะลวงพ่อนะสู้ไม่ไหวนะถ้าว่าไม่ได้นอ น, นตาเหลือกเลยละ่ะฉปนั่นลูกหลานทุกคนเนชชิเป็นของธรรมดาอดทนได้นั่งภาวนาได้ถึงเราจะไม่นั่งเราก็นั่งภาวนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา แต่ว่าถึงยังไงก็าตามนะเมื่อเราสวดอมนมลสวดพระประลิษฐมงคลสวดพอพุทธมนต์เหนื่อยแล้วนะใครจะกลับบ้านะอลงทานก๋วยเตี๋ยวเน่ะเตรียมเตี๋ยวไว้นะถ้าเผื่อจะกลับบ้านทํามันหิวก็ไปแวะกินก๋วยเตี๋ยก่อนก็ได้นะวะยังค่อยกลับบ้านกับเรือนตัวเองนะแต่ถ้าเป็นไปได้วันพรุ่งนี้ก็ขอกลับมาอีกก็ได้ มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พร้อมหน้าพร้อมตากันหลวงพ่อว่าเป็นมงคลมหามงคลปีหนึ่งหลวงพอว่อจะจั ด, จดครั้งหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็เราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเสียนพระพุทธุรมมงคลสองของพวกเราเนี่ยก็คิดว่าเป็นวันมาฆาบูชานะ่ะแต่วันนี้ก็คิดว่าเอาเอาอีกวปีต่อไป ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องนะหลวงพ่อคิดว่าจะทำทุกๆปีแต่ดูดูซะก่อนว่าปีนี้เมื่อทาเสร็จผ่านลงไปแล้วมีปัญหาอะไรไหมแล้วถูกต้องไมมดีไหมหลวงพ่อทำอะไรหลวงพ่อจะประเมินผลทุกครั้งนะถ้าว่าไม่มีอะไรหลวงพ่อก็น่าจะทำทุกทกปีเพราะว่ายังไงก็เป็นวันหยุดอยู่แล้ววันมาฆบูชานะศรัทธาญาติโยมก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะ ควรจะมาทําบุญพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็จบกันอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องวงศาคณาญาติของพวกเราเพราะต่างคนก็ต่างมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่า ต, ต า, ยายายด้วยกันแต่หลวงพ่อก็จะทําเหมือนกันนะถ้าวันเดือนธันวาทำให้พ่อเมษาทาให้แม่มักราทําให้พี่สาวพี่ชายกว่าจะไล่ไปแต่ละคนโอ้มันเป็นเรื่องยาวเหยียด ไม่ลูใกใครต่อใครพอลมหายตายจากไปมากเพราะฉะนั้นนะ่ะประมวลกันมาเลยนะอก่อนที่เราจะทําบุญแต่ละครั้งออพอเราจะทําบุญเราก็น่ะจุดธูปเทียนจุดธูปนะบอกกล่าวนะรองวิญญาณไปอยู่อังกฤษอเมริกาแ อ, อ, อฟริกาอยู่เมืองไหนก็เถอะพวกผู้ฆ่าจะทําบุญเหรอเนะให้กลับมานะเ อ, อเหมือนกับเราเขาไปอยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือนะ่ะ อ, อเขาก็จะได้มา รอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะการทำบุญคราวนี้ครั้งนี้เป็นการทำบุญรวมญาติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อให้พรเป็นสิริมงคลกับพวกเราคณะสัตยาญาติโยมและจากนั้นก็หลวงพ่อจะได้กลับไปหาที่พักตามที่ท่านอาจารย์พระครูไ ด, ดได้พูดได้กล่าวนะ